จะเนพร่านผู้ฟังให้นั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ผู้ที่ฟังทางเว็บไซต์ทางแผ่นซีดีก็ดีผู้ที่ฟังธรรมก็แสดงว่าชื่อยินดีดังนั้นเพราะยินดีในการฟังธรรมเมื่อยินดีในการฟังธรรม ก็ยินดีในการปฏิบัติฉะนั้นจึงชีอว่ายินดีกัอธรรมาราโมยินดีในธรรมะก็พูดแล้วเมื่อตอนภาคคำของวันที่ส4สที่ผ่านมานี้ตอนนี้ก็เป็นภาคย่ำรุง่งตั้งแต่ตีสี่สมสบนาทีงี้นี้นตอนแรกก็คือ ยินดีในธรรมตอนที่สองก็คือยินดีในการภาวนาก็คือการภาวนาธรรมะให้เกิดธรรมะการภาวนาว่าไม่ใช่ก้ไม่ใช่กูไม่ใช่ก้หายใจข้าหายใจออกก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีอะไรก็ดี ให้ภาวนาว่าไม่ใช่กูทีนี้เมื่อคิดนิดพิจารณาว่าไม่ใช่กูคืออะไรไม่ใช่กูก็คือว่างจากกูถ้ามันมีกูก็มีอาวิชชาถ้าไม่ใช่กูมันก็มีสติปัญญานี่มันคนละอย่างกันอย่างนี้นั่นต้องรู้จากคิด รู้จักนึกรู้จักปลิกเพลงว่าถ้ากู้มันก็คือตัวงโง่ถ้าไม่ใจกู้ก็คือตัวฉลาดฉะนั้นเราต้องภาวนาให้เกิดความฉลาดให้ภาวนาว่าไม่ใจกู้แล้วต่อไปความไม่ใจกูนี้มันเหมือนกับเชื้อโรคมันเหมือนกับว่าไอ้ขี้ใคร มันมาพอกติดเนื้อติดตัวของเราเราต้องขัดเราต้องถูเราต้องล้างเราต้องอาบเราต้องทําความสะอาดแต่ไอตัวกูตัวนี้มันติดอยู่ที่จิตของเราที่เราก้าไปยึดถือว่าจิตนี้เป็นตัวกูเมื่เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวกูไอของกูมันก็เกิดขึ้น ฉะนั้นเรามาพาวนาว่าไม่ใช่กู้ก็เป็นการขัดเป็นการสีเป็นการการทำลายตัวกู้ก็คือความเห็นแก่ตัวถ้ามันไม่มีตัวกู้มันก็มีมความเห็นแก่ตัวถ้ามันมีตัวกู้มันก็มีความเห็นแก่ตัวลองหลับตาดูดีว่าถ้าเราทุกคน มีตัวกูมีความเห็นแก่ตัวว่ามีความเห็นแก่ตัวโลกนี้ก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงอะมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตั ว, ตวทุกคนเห็นแก่ตัวกันหมดเราก็มีแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีแต่การทำร้ายซึ่งกันและกันมีแต่การโอบเปรียดซึ่งกันและกันไม่ว่าใครต่างนั้นเลย ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ของกษัราย์การมีอยู่ในหน้าที่ของนักการเมืองมีหน้าที่ในการทำหมากินเป็นชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาถ้ามันมีตัวกูมันก็มีความเห็นแก่ตัวถ้ามันไม่มีตัวกูลดตัวกูลงไปมันก็อยู่กันอย่างสบายนี่เราคิดดูว่าเราจะต้องรับสีล ศีลก็เพื่อที่จะขัดเกลวความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวทางกายก้าศัตรัก์ทรัพยาพฤึกผิดในกามก็เพราะมันเห็นแก่ตัวพูดเทศก็เพราะเห็นแก่ตัวดื่มของมึนเมายาเสพติดต่างๆก็เพราะเห็นแก่ตัวนี่คือมันมีตัวชือมันมีตัวกูตงนั้น เพราะฉะนั้นศีลก็มีหน้าที่ในการที่จะขัดเกลาทางกายและก็วาจาเมื่อมีศีลก็ต้องมีสมาธิสมาธิก็มีหน้าที่ในการที่จะจัดการกับจิตให้มันอยู่นิ่งๆบ้างให้มันมีสมาธิมันอยู่นิ่งๆมันอยู่นิ่งๆมันอยู่นิ่งๆทีนี้อยู่นิ่งๆแล้วก็มีความคิดมีความนึก ก็จะเห็นว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวมันมีอย่างไรฉะนั้นการรักษาศีลก็ต้องมีปัญญาการทำสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาการขัดเกลากิเลสก็ยิ่งเอาปัญญาโดยเฉพาะปัญญาเปลียวเปลียวเลยศีลมีหน้าที่ในการกัดเกลากายวาจาสมาธิมีหน้าที่ในการขัดเกลาจิต ปัญญามีหน้าที่ที่จะกัดกราลั่ฆ่ากิเลสหรืออุปาทิทั้งปวงอุปาทิทั้งหมดที่มันกัดขวางงันนั้ น, นเราจะต้องจัดการเราต้องผลิตอริยมรรคมีองค์แปดนี่ลให้ถึงตัวปัญญาโดยสูงสุดถ้าเรามีตัวปัญญาสูงสุดแล้วเราก็สามารถที่จะ จะล้างกิเลสอุปาทิต่างๆให้มันหมดจดให้มันหมดไปเมื่อกิเลสมันหมดไปคืออวิชามันดับเราก็จะมีแต่สติกับปัญญาคือความไม่เห็นแก่ตัวทีนี้มันต้องผลิตให้เกิดอริยมรรคกนะารผลิตก็ต้องใช้อริยมรรคมีองค์แปด ว่าใช่มีอารียมักมีองแปดมีตั้งตัวปัญญามีตั้งศีลมีตั้งสมาธิเรนี่ที่เราพูดกันว่าศีลสมาธิปัญญาอันนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าปัญญามันอยู่ต้นๆ้นสมาธิทีิก็คือตัวปัญญาสมาสังกัปโปก็คือตัวปัญญาเีนี่ถ้าไม่มีปัญญาธัรมาวาจาธรรมากัมมันตารรม า, าชีวะ อันนั่นเป็นศีลทั้งหมดนั่นเป็นศีลเหมือนที่พูดให้ล่าว ม, มาแล้วถ้าหากว่าศีลไม่มีปัญญาก็รักษาไม่ได้ศีลก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาปัญญาต้องเป็นผู้นำนเป็นผู้นำศีลก็ต้องมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งความเพียรเออนไม่นี่ทีนี้สมมาวะ โ, โยอิยาา โ, โ, โม ความดำริในการออกจากความดำริในการไม่มุ่งร้ายดำริในการไม่เบียดเบียนไม่อิจาริศยามันก็ต้องมีทั้งปัญญามันต้องมีทั้งตัวสัมมาวายามะคือความเพียรแล้วก็ต้องมีทั้งสตินี่มันต้องมีทั้งนั้นเลยดังนั้นเรารักษาศีลกันไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญา ทีนี้ก่อนที่เราจะรับศีลเราต้องรับพระรัตนาตรัยก่อนพระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวปัญญาพุทธังสรนังคัดจามิข้าพเจ้าขอออาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งจำมังสรนังกัดจามิเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งสังกังสรนังคัดจามิเรกาก็เอาพระอริยสงฆ์หรือพระรหันต์ทั้งหลายมาเป็นที่พึ่งนั่นคือตัวปัญญา ที่นี่พระรัตนตรัยถ้าเราไม่รู้จักปัญญาก็เกิดไม่ได้อีกนั่นแหละพระรัตนตรัยพระัตนตรัยพระรัตนต ร, ย ร, รัตตรยคือเมื่อก่อนก่อนที่จะมีพระพุทธรูปเขาจะทำที่พุทธกยานั้นเขจะมีพระรัตนตรัยพระรัตนตรยัยมีเป็นสามเงี่ยงเรียกว่าเป็นสามเงี่ยงสมเงี่ยงเงี่ยงที่หนึ่งก็คือปัญญานะ ก็ไปอย่ยงที่หนึ่งก็คือพระพุทธอย่างที่สองก็คือพระธรรมอย่างที่สามก็คือพ ร, ร, ระอรหันต์หรือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายแต่ว่าขึ้นมาจากที่เดียวกันแปลว่าแตกหนอ่อแล้วก็ขึ้นมาเป็นสามสามเนี่ยงสามต้นในสามต้นนั้นก็มีรากเดียวกันมีราก น, นอะไรรากเดียวกันนั่นอะไรก็คือความสงบเย็น ความสงบเย็นนั้นก็ออกมาเป็นพระพุทธเจ้าออกมาเป็นพระธรรมออกมาเป็นพระสงฆ์หรือพระอาลียสงฆ์สามเงี้ยงนั้นคือพระลัตนาไตรเพราะฉะนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าแจตะจะ่รู้ยังไม่มีพระพุทธรูปยังไม่มีอะไรทั้งนั้นอย่างมากก็กระทำแค่พระพุทธบาทจําลองเท่านั้นเอง ทีนี้เมื่อเมื่อมีพระพุทธบาทจำลองหรือว่ามีพระลัตนาตรัยขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็ขยับขยายเพราะมันมาจากประเทศกรีกนู่นจากประเทศกรีกแล้วก็มันมีพระพุทธรูปศาสานาอินดูเขามีรูปรูปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน่นมีรูปเยอะแยะไปหมดทีนี้ไม่ศาสนาพุทธของเรามันก็เลยทำกันมาบ้าง ถ้าไม่ทำก็เรียกว่าสู้ศาสนาอื่นก็ไม่ได้ก็เลยปั้นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาใช้เวลาตั้งหกรปีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเรีนว่าตอนที่เจา้าขวัญใจจิตตะตา อ, อบวชก็ไม่มีเจา้าพระญใจจิท ธ, ธัตาที่หลังมาก็มีเพียงดวงไฟเขาจะทําประโคมไฟแล้วก็มีประ เปลืงอย่างนั้นน่ยอยู่บรหลังม้ามีคนถือแล้วก็ออกบวชออกบวชทีนี้เขาก็ทําเปลวเพลพิงบ้างเนี่ยเขาก็ทําพระรัตนตรัยบ้างนี่หรือว่าทําพระพุทธบาทจําลองบ้างเขาทําอย่างนั้นเมื่อก่อนทำอย่างนั้นทีนี้พอต่อมาต่อมาก็มีเป็นพระพุทธรูป ก็เป็นพระพุทธรู้ก็มีปางต่างๆปางนั้นปางนี้ปางโน้นมีหลายปางที่นี้ก็เพียยเพ้ยนไปก็เพี้ยนไปเพี้ยนไปเพี้ยนไปปางที่แสดงธรรมจักกับประวัตินาสูตรพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจสีทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่ก็เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้ว เหตุให um. ้เก er> ิดท pues ุกข mm ์เป um> ็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรละจริงเหตุให้เกิดทุกข์เราละได้แล้วความดับทุกข์คือนิโรธเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรธเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งนิโรธเราทําให้แจ้งได้แล้วอริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาจังกับโปธรรมวาจา ธรรมากรรมันโตธรรม า, าชีโวธรรมาวาาโมธรรมาต า, าิตธรรมะธรมอาทิอริยมักเป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยมักเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้มันเจริญอริยมักเราปฏิบัติให้เจริญได้แล้วเห็นไหมอริยสัจสีอนี่พระองค์ก็จีบมือจีบมือระหว่างไอ้นิ้วชี้กับหัวแม่มือหัวแม่โป้ง ทีนี้พูดพวกที่ทำน้ำมนต์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าปางดีดน้ำมนต์นี่ขนาดว่าทำเป็นรูปแล้วมันก็ยังโง่ทีนี้ถ้าไม่มีรูปแล้วมันโง่ขนาดไหนอลองคิดดูดิเพื่อผลประโยชน์ทางนั้นเลยนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมีปางต่างๆขึ้นมาไม่รู้ปางไหนต่อปางไหนทำไปทามาเจดวัน พระพุทธเจ้าปางวันอาทิตย์ปางวันจันทร์วันอังคารพุทธประลือหัดฉุกเฉ้าตั้งบาทเลยทีนี้พอตั้งบาทแล้วโยงก็เอาเหรียญก็ตามเอาเบงก็ตามไปยอ้อนอ้อใกล้เกิดวันอาทิตย์ต้องใช้บาทใบนี้เกิดวันจันทร์อังคารพุทธประลือหัดฉสุกเฉ้าก็เลยเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาในเรื่องของพระพุทธรูปหากินกันในรูปแบบต่างๆอย่างนี้ หเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลยมีพระพุทธรูปไม่รู้ถ้า ก, กี่เป็นร้อยปางเนยมันตอนนี้มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไอน้นี่นี่เรื่องพระพุทธรูปไอ้นี่พอต่อไปก็เป็นพระธาตุพระธาตุก็ระบายมาจากโน้นในประเทศศรีลังกาโนูพระธาตุมาจริงๆรมาจากศรีลังกาขนมาในประเทศไทยอา่าเป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้อืม นานๆนนคิดว่าก็เดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวนี้นะอาจจะผลิตประทาตกันบ้างแล้วพอผลิตพระทาตก็เอาขายขายอะไรก็ขายที่สําหรับที่จะใส่ประทาตุแล้วก็แถมประทาตไปเลยออย่างนี้ก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นประทาตก็มีมากมาย ก, า, กายกองเป็นเม็ดเล็กๆ เ, เ, เ, เป็นก้อนกรวดเป็นก้อนหินเป็นโน้นเป็นนี้ ที่นี่ถ้าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าจริงก็ดีที่ก็ดีที่แต่ว่าของพระพุทธเจ้าจริงพระองค์จะไปใส่ไว้อยังไงพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเอาพระองค์จะเอาไปใส่ว่ายังไงในจิตนะตอนที่พระองค์เป็นเป็นอยู่พระองค์ก็มีพระธาตุคือความว่างคือพระธรรมธรรมธาตุเรียกว่าธรรมธาตุ พระธรรมที่อยู่ในจิตในใจของพระองค์นั่นแหละทีนี้พระธานนี้เราต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็เห็นอริยสัจสี่เห็นพระเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นสุญญาตาเห็นสุญญาตานั่นนะคือสุญญาตาธาตุไม่ใช่ธาตุอยู่ในหัวใจของพระองค์อยู่ในความรู้สึก คืออยู่ในจิตของพระองค์ในจิตของพระองค์เมื่อก่อนก็มีอะไรก็มีอวิชชาธาตอยู่ทีนี้พอสุญญตาธาตคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและยกว่าสุญญตาพอมีสุญญตาธาติเข้าไปอยู่ในจิตของพระองค์อาวิชชาธาตก็ถอยอยู่ไม่ได้เห็นไหมนี่เพราะาพระองค์เห็นอริยสัจสี่ พอเห็นอริยสัจสคือตัวทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกข์เรากําหนดรู้ได้แล้วทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาจากอุปาทานมาจากอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมันมีอุปาทานทางนั้นมีอุปาทานทางนั้นยึดมั่นถือมั่นจิตจิตก็มีอุปาทาน จิตที่ก้าไปรู้อะไรต่างๆจิตข้าวไปยึดมั่นถือมั่นหมดข้าวไปยึดมั่นถือมั่นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใจทางกายทางใจเอะที่บายให้ฟังเมื่อภากคํานั่นแหละตาข้าไปยึดมั่นจิตจิตข้าไปยึดมั่นจิตพอจิตจิตข้าไปยึดมั่นจิตแล้วจิตก็ข้าไปยึดมั่นตาข้าไปยึดมั่นหูข้าไปยึดมั่นจมูกลิ้นกายใจข้าไปยึดมั่น ถือมั่นสิ่งที่ตาเห็นที่หูได้ยินที่จมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจรู้ธรรมารมขึ้นมาแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นหมดนี่จึงบอกว่าจุดเซ็นเตอร์แห่งความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่จิตจะนั้นเราจะต้องปล่อยจิตเมื่อเราปล่อยจิตเราก็บอกว่าไม่ใช่กู ใครไม่ใช่กูก็จิตนะไม่ใช่กูจิตไม่ใช่กูถ้าจิตเห็นจิตว่าจิตไม่ใช่กูไอ้ตามันก็ไม่ใช่กูกูก็ไม่ใช่กูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ใช่กูทีนี้มันก็ทําตามหน้าที่ของมันตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ทําหน้าที่ตามธรรมชาติเห็นได้ยินได้กลิ่นเลิ้มรสสัมผัส รู้ธรรมารมก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเมื่อจิตอยู่กับความว่างจิตว่างเพราะจิตเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จิตแล้วก็เห็นสุญญตาที่จิตพอเห็นสุญญตาที่จิตจิตก็อยู่กับสุญญตาจิตก็อยู่กับความสงบทีนี้เมื่อสุญญตาอยู่ที่จิตจิตทำหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ต้องออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอออกมาแล้วเป็นยังไงตาเห็นตาเห็นก็จิตบอกว่าก็สักแต่ว่าเห็นอยาข้าไปยึดมั่นถือมัน่นตาเองมันก็เกิดดับการไปยึดมั่นถือมั่นมันทําไหมสักแต่ว่าเห็นหูก็สักแต่ว่าได้ยินเกิดแล้วก็ดับจมูกก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นก็สักแต่ว่าลิ้มรสกายก็สักแต่ว่าสัมผัส ใจก็สักแต่ว่ารู้ธท ร, รมารณ์ทั้งหมดทั้งตัวรู้ทั้งตัวเห็นทั้งสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นไหมฉะนั้นภัยยะภายะภายะภายยะคนที่ไปฆ่าทรัมโพลแล้วก็เรือแตก เ, เรือแตกก็เรือทรัมโพแตก ก็โดยได้ไม้แผนกระดานแผน่นหนึ่งเรามาในมหาสมุทรจนมาถึงฝั่งมาถึงฝั่งก็เป็นชีเปลือยทีนี้ป่ะผมผ้านุ่งก็หลุดลุ่ยหมดอเอาสาหลายมาพันอวัยวะเอามาพันกายเอ า, เอามาพันกายคน ก, ก็มาเห็นมาเห็นก็ ก, ก็คิบว่านี่พระอรหันต์พระอรหันต์พระอรหันต์ของพวกเจนของพระเจน พระเจนต้ใครเป็นพระอรหันต์แล้วก็แก้ผ้าหมดดังนั้นพวกเราทั้งหมดนี่ก็แก้ผ้าดีเวลาเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ําก็เลยเป็นพระอรหันต์กันหมดดังนั้นถ้าอย่างนั้นก็พวกวัวพวกค ว, กวายก็เป็นพระอรหันต์กันหมดเพราะมันไม่ได้นุ่งผ้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นคือผิดแต่อย่างนั้นมันไม่ใช่ทีนี่เป็นยังไงเพื่อนที่เคยปฏิบัติทำกันในสมัยนูน้นในสมัยชาติก่อน เขาก็ว่ากันอย่างนั้นมีก็ช่งไม่มีก็ช่า ง, งแต่ว่าชาติก่อนของเรานี่อย่าไปเอาชาติก่อนในภพอื่นเลยเอาในภพนี้เอาในชาตินี้เอาในชาติปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันภพที่มันผ่านมาก็เรียกว่าภพในอดีตภพที่มันยังไม่ถึงก็เรียกว่าภพในอนาคตภพที่มันอยู่ในปัจจุบันที่คิดในปัจจุบันแล้วก็มันเข้าไปยึดมันม่นถือมั่น แรนว่าข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความกลัวอย่างเนี้กลัวตายพอกลัวตายขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมั่นก็ยึดมั่นถือมันมันก็เหมือนกับว่าภาวนาว่าตายตายตายตายตายตายตายงั่นมันเกิดปุบคือมันมีคันขึ้นมาไอตัวกลัวนั่นแหละไอตัวยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละไม่ใช่พอยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มันต้องอยู่อีกก้าเดือน พออยู่อีกเก้าเดือนก่อตัวขึ้นมาก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ลคลอดกว่าจะครบเก้าเดือนเก้าเดือนกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอุปาทานอุปาทานแล้วก็พบพบแล้วก็ชาติอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นพบคือตั้งครันชาติคือคลอดพอคลอดออกมาแล้วก็เป็น ชรามรณะโสกผลิตยวะทุกโตมนัสสะอุปายาตออกครอดออกมาก็แก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายอี่นี่เป็นยังไงว่าเราเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโง่ขึ้นมาพราะข้าไปยึดมั่นถือมันพราะข้าไปยึดมั่นถือมัน่นตั้งขันไม่ชาเลยตั้งขันเพรพเดียวคลอด ตั้งคันคลอดตั้งครันคลอดตั้งคันคลอดออกปืดดปืดปืเป็นสายเลยออกไปเป็นสายเลยก็เลยคือมันก็มีแต่ทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุอยู่อย่างนั้นนี่มันคลอดออกอย่างนั้นไม่ใช่ใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีหรอกมันตั้งครันแล้วก็คลอดตั้งคันแล้วก็คลอดตั้งคันแล้วก็คลอดพอคลอดเสร็จก็ทุกคลอดเสร็จก็ทุกคลอดเสร็จก็ทุก นี่คืออุปาทานอุปาทานแล้วก็พบพบแล้วก็ชาติชาติแล้วก็ชรามารณะโสกาปริเตวะทุกขโทมณฑราอุปยามันก็เลยเป็นทุกข์ถ้าได้มาก็ดีใจดีใจก็เป็นทุกข์ถ้าเสียไปก็ร้องไห้มันชิดกันมากมันชิดไม่มีช่องว่างเลยมันจะไม่มีช่องว่างเลยมันทุกข์ทุกๆ์ทุกข์ทุกขุกกขุกข์ทุทุกทุกข์ ความทุกข์นั้นมันคลอดออกมาคลอดออกมาคลอดออกมาคลอดออกมาเหมือนกับว่างูอย่างนั้นที่มันวางไข่ไม่เหมือนกับแม่ไก่แม่ไก่นี่มันไข่ใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วก็เว้นไปหนึ่งวันแล้วก็ไข่หนึ่งวันแล้วก็เว้นหนึ่งวันนั่นคือแม่ไก่แต่ว่าคนนี่คนเรานี่มันคลอดมันคลอดคลอดออกมา าชาเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนี่มันคลอดแล้วคลอดแล้วเปร๊บเปร๊บเเเเออกม า, อาชาติชารามรณะโศกาปริเทวะเนี่ยเดี๋ยวก็ดีใจดีใจก็คลอดเท้าใจก็คลอดคลอดออกมาเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ยดีใจก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงดีใจพอใจพอพอใจขึ้นมาเช่นว่าเรามีทรัพย์สมบัติ หรือว่าเรามีสามีเรามีภรรยาอ้าวแต่แล้วก็เป็นทุกข์ไอ้ความทุกข์นี่ยเพราะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะหิงทุกข์เพราะห่วงทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยคลอดคลอดคลอดคลอดคลอดคลอดออกมาเป็นทุกข์อีกของที่เรารักก็เป็นทุกข์ของที่เราไม่รักความกลัวก็เป็นทุกข์คือของที่เราเกลียดก็เป็นทุกข์ นี่มันจะคลอดออกมาคลอดออกมาคลอดออกมาคลอดออกมาในเสี้ยววินาทีมันจะคลอดคลอดคลอดคลออกมานี่มันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าชาติสรามรรณะโฉกะปริเทวะทุกัทโธมณัสญาอุปายานนี่คือความเกิดที่เป็นทุกข์ความเกิดที่ความยึดมั่นถือมั่นว่าจิตกูจิตกู พราะว่าจิตกูเท่านั้นเองจิตกูเท่านั้นเองอุปท า, านมันก็เกิดหรือว่าถ้ากอนจากนั้นไปก่อนอุปท า, านกอดตัณหาถ้ากูอยากพอเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วไม่มีปัญญาที่จะดับเวทนาไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่จะมาดับที่ตรงนั้นเมื่อไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่จะดับ มันก็เกิดต่อยืดยาวไปเป็นตัณหาคือความอยากอ่าตัณหาพอตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานเกิดอุปาทานแล้วก็เกิดพบเกิดพบแล้วก็เกิดชาติเกิดชาติมันไม่เป็นตัวเกิดไม่เป็นตัวเมื่อมันไม่เป็นตัวแต่ว่ามันก็มีความทุกจรไม่เป็นตัวแต่มีความทุกจรอ่าทีนี้พอเป็นชาตินั่นคือคลอดแล้วทีนี้มันเกิดทางไหนบ้าง เราพูดถึงว่าเกิดเนี่ยมันเกิดทางตาก็ได้มันเกิดทางหูก็ได้เกิดทางจมูกก็ได้เกิดทางลิ้นก็ได้เกิดทางกายก็ได้เกิดทางใจก็ได้ตาเห็นรูปยึดมั่นถือมั่นหูได้ยินเสียงยึดมั่นถือมั่นจมูกได้กลิ่นยึดมั่นถือมั่นนี่มันเกิดยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือว่ามันเกิดยึดมั่นถือมันขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเอาและนั่งหลับตาทำสมาธิหรือว่าไปนั่งที่เงียบเงียบมันไม่เกิดแล้วทางตามันไม่เกิดแล้วทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่เกิดแล้วเกิดทางใจแล้วทีนี้เกิดทางใจแล้วเกิดจนนั่งไม่ติดนั่งไม่ติดเป็นห่วงขึ้นมาโอ้ตอนนี้กรุงเทพ น้ำกำลังที่จะมาจากนาครสวรรค์มาท่วนที่อยุทยาแล้วก็จะมาท่วงที่กรุงเทพเออมันคงจะท่วมบ้านเราแล้วออต่อนนี้ทำยังไงทีเนีเออ้นั่งไม่ติดแล้วอยากจะกลับอยากจะกลับบ้านทีนี้แต่าหากว่าเรามีเบรกเรามีสติเรามีปัญญาก็ท่วมก็ท่วมไปชจางว่วมันจางหัวมั น, ม, นมันท่วมไปเถอะเอา้ามันท่วมจางมัน ดีกว่าคอยไม้ถ้าคอยไม้หมดทั้งบ้านทั้งช่องรับสมบัติอะไรหมดแต่นี้น้ำท่วมบ้านก็ยังเหลืออยู่ค่อยว่ากันค่อยว่ากันนี่รู้อย่างนี้ก็รู้อย่างนี้ก็ปล่อยวางมันปล่อยวางปล่อยปล่อยวางมันก็เลิกเกิดโลกเลิกเกิดที่ไอ้ชาติปีปีทุกขามันก็เกิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งคันเพราะมันไม่มีอุปทานเพราะว่ามันเลิกตัณหา เพราะมันจับได้ที่เวทนาเพราะว่าตัวปัจจักมันก็ดับตัวอะไรอะไรมันก็ดับตัวอายตนะตัววิญญาณมันก็ดับตัวไอ้ตัววิญญาณดับตัวไอ้ตัวอะไรรูปหรือว่าตัวเสียงกลิ่นรสปตประพรรทอารมณ์มันดับตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจมันดับ ทีนี้ก็ตัวจิตมันดับเพราะว่าเกิดวิชารขึ้นมาที่จิตโน่นเกิดวิชาเกิดสติปัญญาขึ้นมาเพราะปฏิบัติตามอริยมรรคไีอง 8. อแงเมื่อปฏิบัติตามอริยมรรค 8, ไม่งอแงทาให้เห็นอริยสัจสี่พอเห็นอริยสัจสี่ก็ทำให้เอาตัวนิโรถนั่นลที่ผลิตออกมาจากอริยมรรคเป็นนิโรธ อวิตมาจากอริยมรรคจากปุงอุตปาฏิญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาวุตปัิอารโกตปาฏิจากจูเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราพระพลังแห่งปัญญาคือแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยควังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยสัจคือทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้อริยสัจคือทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกขก็ได้แก่ราคะโทสะโมหะอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกขเป็นสิ่งที่เราควรละ อริยสัจคือเได้เกิดทุกขเราละได้แล้วอริยสัจคือนิโรธเป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยสัจคือนิโรธเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งอริยสัจคือนิโรธเราทําให้แจ้งได้แล้วนี่คือตัวดับอริยสัจคืออริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยสัจคืออริยมรรคเป็นสิ่งที่เราควรทําให้เกิดมีอริยสัจคืออริยมรรคเราทําให้เกิดมีได้แล้ว ก็เลยเกิดจักขงอุตาปาทิยาณอุตาปาทิปัญญาอุตาปาทิวิชาอุตปาทิอารโมโกตาปาทิรวมพลังรวมพลังแล้วก็เป็นตัวนิโรดนิโรดก็เลยมันดับที่นี้ดับตัวไหนดับตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยสมุทัยก็คืออาหารของอวิชชาวันที่บอกให้ฟังว่าที่ผ่านมานะ่ยบอกให้ฟังว่า อาดิยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกับว่ากองฟืนในฟืนอ่ะในฟืนอ่ะมันมีไฟอยู่ในนั้นมองไม่เห็นดอกมองไม่เห็นหรอกอักนี้ในฟืนนั้นแหละในตัวฟืนนั่นแหละคือตัวราคะโทสะโมหะอันี้ฟืนมีหน้าที่ในการที่จะเะผุผานแต่ว่ามันยังเผุผานไม่ได้เพราะมันยังไม่มี ไม่มีอะไรที่เป็นเชือ้อทีนี้อวิชชามันเป็นเชื้อไฟมันเป็นกองไฟมันเป็นเชื้อแห่งความโง่มันอยู่ที่ตรงนั้นอีนนี้เราก็เอาฟืนนั่นแหละคือเชื้อของไฟนะเอาฟืนคือราคะโทสะโมหะซึ่งมันเป็นอาหารของอวิชชาเกิดราคะ ข, ข, ข, ขึ้นมาทีหนึ่งเกิดโทสะขึ้นมาทีหนึ่งเกิดโมหะขึ้นมาทีหนึ่งอวิชชาได้อาหาร แอ้เมื่ออาวิชาได้อาหารก็ส่งต่อไปให้ลูกน้องทีนี้ไอ้โง่ตามตา ม, ตามกันไปโง้ตามตามกันไปอาวิชาก็คือจิตที่เป็นตัวกูที่เป็นของกูเมื่อจิตเป็นตัวกูของกูมีพลังเพราะได้อาหารบ่อยๆได้อาหารคือราคะโทสะโมหะเมื่อได้อาหารคือราคะโทสะโมหะแล้ยวก็เป็นอาวิชา เป็นกองไฟใหญ่กองไฟคือตัวกูกองไฟคือตัวกูนะันก็เลยกระจายออกไปจากอาวิชชาก็เป็นสังขารสังขารก็มีกายสังขารการกระทำทางกายวาจีสังขารการพูดทางวาจาโมาโนสังขารความคิดทางใจนี่จิต ค, คือความรู้สึกที่ปิสดสะา ا ที่วิจิตพิสดาร น, นี่คือจิตอันนี้ถ้าจิตที่ไม่ประกอบด้วยอวิชชาหรือจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาคือจิตงโง่จิตงโง่นั้นแหละคือจิตอวิชชาทีนี้ถ้าจิตที่ถูกตัดตอนเพราะนิโรดนิโรดมาดับราคะมาดับโตตรามาดับโมหะนั่นคือเหตุเกิดของอวิชชา หนึ่งอาวิชชาถ้าเป็นอริยสัจนะหนึ่งอาวิชชาสเหตุเกิดอาวิชชาคือสมุทยัยราคะโทสะโมหะนั่นคือเหตุเกิดของอาวิชชาสามความดับอาวิชชานิโรดนั่นคือนิโรด4ี่หนทางให้ถึงความดับอาวิชชาคืออริยมรรคในองค์่ สมาทิติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาจิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาทินี่อวิจาเอตเกิดอวิจาความดับอวิจารนผลทางให้ถึงความดับอวิจาทีนี้พอรปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์แปดได้อริยศาสตร์มาแล้ว เกิดจากขงตาปาทิยาณุตาปาทิปัญญาตาปาทิวิชาตาปาทิอาโลโกตาปาทิขึ้นมาแล้วก็เลยมีพลังมาเป็นนิโรธนิโรดก็เลยจัดการกับอะไรกับเชื้อคือราคะโทสะโมหะไอเชื้อไฟสามกองนั้นเนี่ยกองราคะกองโทสะกองโมหานั้นเรียกว่าต้องทาลายทาลายไอ ไอ้พวกนี้ไอ้หัวเชื่อทั้งหมดนี่ยพอทําลายแล้วเป็นยังไงก็ดับเอได้เกิดทุกดับพอเหตุให้เกิดทุกดับเพราะมันถูกบอมนี่มันถูกบอมแล้วมันออกมาเก็บไว้เก็บวาเก็บไว้เก็บไว้เพราขาดก็มันก็ใส่เข้าไปขาดก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอวิชาก็ลุกปรุงปรุงปรุงปรุงปรุงปรงก็ลุกปรุงปรงแล้วก็ส่งต่อไปให้สังขารตรงต่อไปให้วิญญาณตรงต่อไปให้ นามรูปวยจตนะปัจะเวินาตันหนาวปาทานพบชาติทุกเกิดอยู่อย่างนั้นเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปเกิดทางตากาะเวียนมาเวียนไปเกิดทางหูเกาะเวียนมาเวียนไปเกิดทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจักรเวียนมาเวียนไปเวียนอยู่อย่างนั้นเกิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นมีแต่ความทุกข์เกิดแต่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่มีแต่ความทุกข์อย่างนั้นอีนี้พอครั้ง ครั้งของราคะโตสาโมหะถูกบอมที่นี่ถูกบอมเพราะนิโรธนี่แหละเข้าไปบอมบอมให้มันดับให้สามตัวนั้นมันดับคือราคะดับโตสาดับโมหะดับเข้าไปบอมเข้าไปบอมในยุ่งในฉ่างในในใ น, ใ น, ในที่เก็บของของเชือกไฟนั่นเนีน่ยบอมเสร็จแล้วอวิชชาไม่ได้อาหารอาวิชชาดับ อวิชชาดับที่นี้มีสายของอวิชชาอาวิชชายะตะเววะเสสาวิรากนิโรธาเพราะว่าระคะโตตรโมหะดับโดนไม่โดยไม่มีส่วนเหลืออวิชชาดับได้อหม ร, ะะราคะโตธรรโมหะดับโดยไม่มีส่วนเหลือเชื่อดับเพราะเชื่อดับอวิชชาดับ เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนาหรือสราญตนาหกจึงดับเพราะอายตนาหกดับปัจจาจึงดับเพราะปัจจาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับจรามรณะโกกาปริเทวะทุกขโทมณจ่าอุปยาตจึงดับเป็นอนุตดับหมดนี่คือสายดับอันี่เท่าว่ากันเป็นภาษาบาลีอาวิชายตาเววะเสชาวิลาคณิโรธาอาวิชชาดับ สังขารนิโรธาสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธาวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธานามรูปนิโรธาจารยตนนิโรธาจายตนนิโรธาปัจจานิโรธาปัจจานิโรธาเวทนานิโรธาเวทนานิโรธาตัณหานิโรธาตัณหานิโรธา อุปาทา น, นิโรโธอุปาทา น, นิโรธาภาวะนิโรโธภาวะนิโรธาชาตินิโรโธชาลจธ า, าตินิโรธาจารามรณะโจกาปริเทวะทุกตโตมณ์ชาอุปายาชานิรุจจันตีนิรุจจันตีแปลว่าดับหมดลินรุจจันตีเอวาเมตัสเกโยรัตทุกขกขันตสา นิโรโธโหติดับหมดดับหมดไอนี้ถ้าใจเกิดก็ว่าออวิชชาปัจจยาฉังขาราฉังขาราปัจจยาวิญญานังวิญญาณปัจจยานามรูปังจนไปถึงโน้นไปถึงจาตีจารามรณะโกกาปริเทวะทุกขโตมณัตสาอุปายาตาสัมภวันติ สัมประวันตีนี่เป็นไปเรื่อยๆเกิดอยู่อย่างนั้นเกิดอยู่อย่างนั้นเกิดอยู่อย่างนั้นเวียนอยู่อย่างสัมประวันตีเอวาเมีตัดเกวาระตรทุกขกันตัดสาสมุทโยโหตินี่เกิดกันอยู่เรื่อยเกิดกันอยู่เรื่อยเกิดกันอยู่เรื่อยเกิดไม่หยุดนี่สายทุกเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องไปท่องให้มันจําให้มันขึ้นใจ อวิชชาทั้งสายเกิดทั้งสายดับสายเกิดก็คือสายเกิดทุกข์สายดับก็คือสายดับทุกข์ทีนี้ถ้ามีคนถามว่าในปายใน45ปีที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมพระองค์แสดงเรื่องอะไรลองว่าย่อๆให้ฟังทีแล้วเราก็บอกว่าพระองค์ก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกเรื่องการเกิดทุกข์กับดับทุกข์ดับทุกข์แค่นั้นเอง การเกิดทุกข์ก็คือสายเกิดดับทุกข์ก็คือสายดับคือเรื่องการเกิดทุกข์เรื่องการดับทุกข์เรื่องความดับทุกข์มีเท่านี้แต่ว่าขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่มันมีเท่านี้นี่เป็นหัวใจเรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี่เป็นหัวใจถ้าเรารู้หัวใจของพระพุทธศาสนา รู้ปฏิจจสมุปบาทควายเกิดทุกขเรียนรู้แล้วก็ท่องให้จําทีนี้ปฏิจจสมุปบาทควายดับทุกขก็ท่องให้จําท่องให้จําไม่ตายหรอกท่องไปเถอะแล้วต่อไปเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจอ๋อทีนี้พอนี้โรดนีโรดไปดับเหตุได้เกิดทุกขคือสมุทัยพอไปดับเหตุได้เกิดทุกขคือราคะโทสะโมหะ ดับแล้วเป็นยังไงอวิชชาขาดอาหารมันไม่มีราคะที่จะกินไม่มีโทสะไม่มีใครไปป้อหนใา้มันไม่มีโมหะไม่มีความโง่ไม่มีความมืดไม่มีความบอดนี่พระชายิโรธคือตัวดับคือตัวดับเนี่ยไปดับราคะโทสะโมหะพอไปดับราคะโทสะโมหะอวิชช า, ามันค่อยๆป๋อมแห้งลง พร้อแมแห้งลงทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแค่ย่างไงตายต่อไปตายเพราะอวิชชาดับวิชชาเกิดทันทีเลยสติปัญญาเกิดทันทีก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาเมื่อก่อนอะอวิชชามันเป็นคนสั่งลูกน้องลูกน้องก็คือสังขารวิญญาณนามรูปยตนาปัตตาเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติ จารามรณะโจกาปริเทวันุกาโทมานะดาวประยัดนั่นคือลูกน้องของอาวิชชาเอนี้เปรียบง่ายง่ายเหมือนกับว่านายกรัฐมนตรีนี่ไม่ได้ว่านายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักนะใครก็ได้แตกว่าจิตประกอบด้วยอวิชกฏสั่งลูกน้องอล้วโกงโกงๆกงกงกงก ง, กงกันเป็นแถวแตลอดถึงจรามรณะนั่นแหละ ทนี้ถ้าากว่าจิตประกอบด้วยอวิชชาก็โกงกันเป็นแถวทีนี้ถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเป็นยังไงเราก็โกงเหมือนกันเมื่อเรามีอวิชชาอยู่ที่จิตสังขารก็เป็นกูกายสังขารว่าจีสังขารมานสังขารก็เป็นกูวิญญาณก็เป็นกูนามราูปวิจนาปัตจเวินาตนาอุปาทานภพชาตชิรามรณักกูหมด เป็นกูเป็นของกูหมดนี่ถูกโกงเห็นไหมเราก็โกงเหมือนกันใครก็ได้ทั้งนั้นใครก็ได้ถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องอริยสัจสีแล้วเป็นคนโกงทั้งนั้นเลยโกงทั้งนั้นโกงใครอะ่ะโกงธรรมชาติก็โกงธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นความทุกข์มันเกิดขึ้นอนี้เราดูาตอนนี้เลยตอนนี้นะพูดกลางนอกหน่อยนะไอกลางนอ ก, กน้าที่กาลังท่วม มันมาจากไหนทำไมไม่ชี้แจงให้ญาติโยมผู้ทุชนคนทั้งหลายก็เ ข, ข้าใจต้องชี้แจงให้เ ข, ข้าใจว่าฝนมันตกฝนมันตกเอาเถอ ะ, อะน้ำมันระเหยระเหยแล้วก็ไปเป็นเมฆเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนที น, นี้ไอ้ต้นไมนะ้ต้นไม้มันเป็นคันหรือ ว, ว่ามันเป็นสิ่งที่ทานบ ทำนบกั้นน้ำต้นไม้ที่บนภูเขาก็ดีต้นไม้ที่อยู่ตามป่าตามดงก็ดีมันเป็นทำนบรับน้ำเสร็จแล้วรับน้ำเสร็จแล้วมันก็ใช้มันก็ใช้เองไอ้ที่เหลือเอาไปไหนที่เหลือมันก็หยดหยดลงไปหลายต้นมากมายกายกอหยดลงไปตามรากอ่อนของมันนั่นแหละหยดลงไปหยดลงไปหยดลงไปใต้ ด, ด, ดินนน ใต้ดินหยดลงไปแล้วออกมาเป็นสายอ่าพอมาก้าวต้นนั้นต้นนี้ก็เป็นหมื่นเป็นล้านต้นพอหยดออกมาแล้วอ่ามันก็เป็นลําตาลเล็กๆลําตาลเล็กๆมันไหลมาทางใต้พื้นหินน่นเราไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปบนภูเขาที่น้ําตกเราก็เอาหูนี่แหละเอาหูไปท้าบก้อนหินพอเอาไปท้าบก้อนหินเราก็ได้ยินเสียงน้ําไหลทุกทุกๆุกๆุกทุกท จนออกมาเป็นน้ำํำเป็นเป็นน้ําเราก็เห็นทีนี้อ๋อนี่มันไหลามาเป็นสายเป็นสายเป็นสายมารวมตัวกันก็วรวมตัวกันก็เป็นน้ําตกทีนี้เป็นน้ําตกน้ํามันก็ไหลน้ํามันก็ไหลทีนี้นี่แหละคือคันกั้นน้ำทีนี้พอเราไปทําลายต้นไม้หมดไม่มีไม่มีเบรกไม่มีคันกั้นน้ํา อันนี้เอาชวนกังล่างอีกก็ทําลายกันอีกอัอนนี้ทางน้ําทางน้ำทางน้าเราก็ไปถมมันเสียทางน้ําถมมันเสียไปทําทาวเฮ้าไป ท, ทาําบ้านจัดสรรไปปลูกบ้านปลูกช่องปลูกนั้นปลูกนี่ถมครองเต็มถมทางน้ําถมทางถนนทํา ท, ทางน้ําเพียงนิดเดียวเพราะต้องการที่จะออกกาไรมากทําถนนนั่นก็เลยทํา ไอ้จ่อน้ำเล็กๆมันก็พอแล้วไม่ต้องมากหรอก่านี้ก็ไหลกันไปเถอ ะ, อะนี่ไพวกรับหนูมันก็คิดกันอย่างนั้นเป็นยังไงทีเนี้ยนี่แหละคือผลผ ล, ผลผลผลผลผลของใครผลของอวิชชาจิตที่มันเกิดที่มันเกิดตัวกูของกูขึ้นมาแล้วก็เกิดอวิชชาขึ้นมาเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็พอควนตก เพราะนตกมันไม่มีทำนบแล้วนี่บนภูเขามันไม่มีทำนบแล้วมันก็ไหลลงมาทีนี้มันก็ไหลโกรกลงมาเลยไหลโกรกลงมาเลยอีนี่เราดูด้ว่าอย่างพระนี่เราก็รู้พระหัวล้านเอากโกนใหม่ๆเราก็ตักน้ําขับขันเอามาลดบนศีรษะลด็จแล้วก็ลงครวดลงไปลดไปแล้วก็ลงครวดลงไปแต่ของโยมีผมของโยมีผมก็ ลดเสรแล้วมันก็ซับพร้อมนั่นแหละมันจะซับน้ํามันค่อยๆไหลแต่ของพระนี่ทีเดียวพูดพ่นพูดเดียวพูดเดียวพ่นไปพ่นไปพ่ น, พนเหมือนกันเนี่ยภูเขาก็หัวล้านภูเขาหัวล้านทีนี้มันก็ลงมาเลยลงมาเลยเพราะฝนตกมีพายุมีอะไรรวดลงมาเลยเอ้ามันลงทางน้ําเดิมทางน้ําเดิมก็เมื่อก่อนมันก็ไหลได้อยู่ดีนั่นเลยแต่มันมากที่นี้มันมาก พอมันมากก็เลยต่างเป็นหน้ากระดานกันมาเลยทีนี้เป็นหน้ากระดานกันมาเลยก็เป็นหน้ากระดานกันมาเลยเห็นไหมนี่แหละนี่แหละคือผลผลผลผลผ ล, ผ ล, ผ, ลผลที่มันเกิดจากจิตที่ประกอบด้วยอวิชาแแห่พวกที่ตัดไม้หรือว่าพวกนักการเมืองน่าจะศึกษามั่งนะที่หลวงพ่อพูดนี่น่าจะฟังฟังแล้วจะได้รู้ต่อไปเราจะ จัดการกันยังไงเรื่องน้นํานี่เราจะจัดการกันยังไงทีนี้คนก็กลัวคนกลัวน้ําท่วมคนกลัวน้ําท่วมกลัวน้ําท่วมทีนี้ไอ้น้ําราคะน้ําโทสะน้ําโมหะท่วมทุกวันท่วมไม่รู้เท่าไหร่ท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกเสร็จแล้วก็ไปเป็นอวิชชาราคะโทสะโมหะเป็นอาหารของอวิชชา ก็เป็นอาหารของอวิชามันก็เลยเห็นผิดหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเป็นยังไงมันก็สั่งลูกน้องทีนี้สั่งลูกน้องลูกน้องต้องมันก็มีกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารมันก็เลยคิดผิดมันก็เลยทําผิดมันก็เลยพูดผิดนี่มันเป็นแถวไปเลยทีนี้เป็นแถวคิดผิดพูดผิดทําผิดอ่า มันก็เลยไปตัดไม้มันก็ทำผิดแล้วเพราะมันคิดผิดพอคิดผิดแล้วมันไปพูดไอ้ที่พูดน่ะผิดทั้งนั้นเลยผิดทั้งนั้นเลยคือเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแต่เพราะมันมีตัวกูมันมาจากอาวิชชาที่มันเป็นตัวกูทีนี้พอจิตเป็นตัวกูก็เลยเป็นแถวไปกายสังขารวิจีสังขารมาโนสังขารเป็นกูหมดวิญญาณเป็นกูเป็นของกูนามรูปเป็นกูเป็นของกู อยายตนะเป็นกูเป็นของกูปัจฉาวทนาตะนาอุปาทานพบชาติได้รับทุกเป็นกูเป็นของกูก็เดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นทุกของกูน้าท่วมบ้านกูน้าท่วมนาข้าวกูน้าท่วมอะไรกูหมดเลยนี่เพราะอะไรมาจากไหนนี่มาจากกูเห็นไหมมันมาจากตัวกูนี่ถ้าหากว่าเราฆ่า พระพุทธเจ้าจ ะ, จะรู้อริยสัจสี่แล้วก็ได้นิโรธมาพอได้นิโรธมาก็ฆ่าเอามาดับเอามาดับไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟมีฟคือโมหะพอดับไฟสามกองนั้นได้แล้วอวิชชาดับอวิชชาดับเป็นธรรมชาติสงบเย็น เพราะประกอบด้วยสติปัญญาก็ามีสติปัญญาขก้นมาเอออย่าไปทำรายมันเลยป่าไม้อย่าไปถมมันเลยพวกคลองพวกคูพวกทางน้ำอะไรต่างๆอย่าไปถมมันเลยอ้มันเป็นธรรมชาติไอมันไหลกันไปเป็นอย่างนั้นแหละนี่วิชาเห็นไหมนี่คือวิชาถ้ามีวิชาน้ำก็ไม่ท่วมฝนก็ตกตามธรมมธรมชาติตามธรรมชาติ ทีนี้เมื่อฝนตกตามธรรมชาติทำนบบนภูเขาก็มีทำนบที่ข้างล่างก็มีเสร็จแล้วพื้นแผ่นดินก็เป็นปกติเราไม่ไปถมเราไม่ไปทำลายเราไม่ไปอะไรทางน้ำก็ปล่อยให้เป็นทางน้ำไปอะไรไปแล้วมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ได้อย่างไรก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งผู้ที่ทำลายบนภูเขาทำลายป่าไม้ ทั้งผู้ที่มาถมครองถมหนองถมตาเล่ถมอะไรหมดร่วมมือกันเห็นไหมพอเราร่วมมือสามัคคีกันในการที่ทํำร้ายธรรมชาติก็ทําให้ธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติบอกว่านี้มึงทํากูมามากแล้วทีนี้กูทํามึงมั่งนี่เห็นไหมได้ผลทีนี้ได้ผลเลยได้ผลเลย เพราะฉะนั้นจังหวัดพัทลุงนี่ยังไม่ท่วมยังไม่ท่วมจะท่วมเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าโชคดีหน่อยถึงว่าพัทลุงเรามีทะเลสาบเรามีแอ่งที่จะรับน้ําท่วมอยู่ได้ไม่นานก็ลงทะเลสาบหมดแต่ไม่มีทะเลสาบก็เหมือนกับทั้งหลายนั่นแหละเหมือนกับที่จังหวัดทั้งหลายเนะี่ยไปว่านครนทรัพย์ไม่ว่าปากกลางปากอีสานปากไหน เหมือนกันหมดแลยจะเหมือนกันหมดเพราะทําลายธรรมชาติกันหมดนี่มันมาจากอะไรก็มาจากอาวิชชาเห็นไหมมาจากอวิชชาอวิชชานี่แหละคือตัวทาลายตัวทาลายแต่วิชชาคือสติปัญญาตัวที่ทำให้อยู่ตามปกติมีตามปกติ จิตใจก็ไม่มีความทุกข์เพราะมันไม่มีราคะมันไม่มีโทสะมันไม่มีโลภะมันไม่มีโมหะมันไม่มีอะไรมีเจสติปัญญามันรู้จักคิดมันรู้จักนึกมันรู้จักทำมันรู้จักพูดอืมันรู้จักนี่เรียกว่าเมื่อจิตดีเมื่อจิตดีจิตดีก็คือจิตที่มีวิชาหรือจิตที่มีสติปัญญาพอมีสติปัญญาขึ้นมามันจะ พูดอะไรมันก็มาจากจิตที่มันดีที่ประกอบด้วยวิชามันจะทําอะไรก็ทําด้วยสติปัญญาอมันจะคิดอะไรก็คิดด้วยสติปัญญานี่มันมาจากสติปัญญาหมดทีนี้ตาจิตมันโง่มันก็เลยโง่หมดก็โ ง, ง่หมดก็เดือดร้อนกันหมดเห็นไหมนี่ครบวงจรเลยที่พูดวันนี้เนี่ยครบวงจรแล้วนี่ครบวงจรแล้ว นี่ไม่ได้สึก้าไม่ได um ้อะไรมาจากไหนด้วยอํานาจอะไรอํานาจธรรมะที่พระพุทธเจ้าจตรัสรู้ก่อนนี้แหละมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออวิชชามีสังขารจึงมีเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมีมันมีมีมีมีมีต่อกันไปเมื่อสิ่งนี้ไม่มีก็คือเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเมื่ออวิชชาดับสังขารจึงดับสังขารดับวิญญาณจึงดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะปัจวทนาตหนาวปาตานภพชาตทุกดับหมดไม่มีอะไรเหลือนี่เห็นไหมนี่คือรวบยอด รวบยอดว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เมื่อสิ่งนี้ไม่มีถ้าไอ้จิตมันไม่มีอถ้าจิตมันไม่มีเป็นยังไงจิตมันจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวกูเดี๋ยวไอ้พวกโง่โงก็ว่าเออจิตไม่มีคือจิตว่างเออจิตว่างเนี่ยมันว่างได้ยังไงจิตว่างก็คิดว่าว่างไม่มีจิตมี จิตว่างคือจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญานั่นคือจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะเดี๋ยวไอ้พวกโง่โงมันจะมาแย้งนะแย้งว่าจิตว่างนี่คือจิตไม่มีอะไรบอกว่าไม่ใช่ว่างหนึ่งมันว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะว่างจากตันหาว่างจาก ทิฏฐิมานะว่างจากอาวิชาตัวเรื่องมันนี่จิตว่างเรียกว่าจิตว่างไม่ใช่ว่างไม่มีทุกอย่างมีหมดแต่ว่าเป็นยังไงทำถูกต้องนี่คือถูกต้องจิตที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาคือความถูกต้องจิตที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือจิตที่มีปัญญาปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่ปัญญาเฉโก ปัญญาเจโกปัญญาโก้ปัญญาโกงไม่จะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่เสร็จแล้วได้ปริญญามาหางยาวเป็นแถวแต่เสร็จแล้วโกนั่นคือปริญญาโกงแต่ปริญญาของพระพุทธเจ้าปริญญาของพระพุทธเจ้าเพราะารู้อริยสัจสี่รู้ทุกธรรมูไทยนีโรจมัก เขาจึงเรียกว่าปรลิญญาตันติเมพิกเวปุเปนานุตรเตตรู ต, ต, ตมมมาเมตุจักขุอุตาปาธิญาณุตาปาธิปัญญาตาปาธิวิชาตาปาธิอาโลโกตปาธิแปลแล้วแปลแล้วในตอนต้นไม่ต้องแปลแล้วแปลอีกโยมลำคาญฝังไม่ถูกเพราะฉะนั้นปรลิญญาของทางโลกนี่เขายืมมาจากธรรมะยืมมาจากของพระพุทธเจ้า ยืมมาจากของพระพุทธเจ้าดูในอริยสัจนั่นแหละดูในธรรมจักกบปวัฒนาสูตรนั่นแหละก็จะรู้แล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นใครที่ยังไม่จำสูตรไม่จำสูตปรปจจธรมรมอมปบาทไปท่องเสียท่องเรียว่าเมื่อเรามีสูตรเป็นตัวหนังสือเสร็จแล้วก็ทุกวัน วยพระจวัฒมนิยต์อาวิชชาปัจจะยังการายังขาร า, า, ราปัจจะยาวิญญาณ์ั้นทกทุกวันทุกวันทุกวั น, วนซึมก็ไปเองซึมก็ไปเองทั้งควายเกิดทั้งควายดับมันก็จะซึมเข้าไปเองเแหละแอ้ต่อไปเราก็ดูรายละเอียดอาวิชชานี่มันมันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะอาหารของมันราคะโัวทารโมหะ สังขารคืออะไรบ้างกายสังขารวิชีสังขารมโนสังขารว่ากันไปตามลําดับต่อไปเราก็ค่อยๆรู้รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดที่หลวงพ่อพูดนี่แหละ ร, รู้เองต่อไปรู้เองอ้าวเวลาก็ถึงแล้วอาตมาหรือว่าหลวงพ่อก็จะไปทําหน้าที่ต่อไปคือไปบินทบาทนี่ก็เป็นเวลาก็เต็มห้าครึ่งแล้วก็พอดีแล้ว ขอความฉุกความเจริญในธรรมจึงเกิดมีแต่ผู้ฟังผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ชื่อว่ายินดียินดียินดียินดีในธรรมยินดีในธรรมยินดีในธรรมกันทุกๆ ท, ท่านเชิญ